พวกเราหลายคนดีใจพ่าหลวงพ่อจะย้ายไปหลวงพ่อบอกอย่าออกหน้าออกตานะเพราะคนเสียใจก็มีเพราะโลกเป็นอย่างนี้เองมีสุขแล้วมีทุกข์มีเจอแล้วก็มีพลัดพราก น, นะมีคนดีใจก็มีคนเสียใจโลกมันเป็นอย่างนี้มันแปลงขึ้นแปลงลงหลวงพ่อจะย้ายอีกไม่กี่วันนี้ก็จะย้ายไปหลวงพ่อเลยปิดวัดตั้งแต่พรุ่นี้ระหว่างที่หลวงพ่อไม่อยู่ พวกเรามีปัญหาข้อขัดข้ออะไรฟังซีดีหลวงพ่อมีทุกคําตอบรับรองซีดีหลวงพ่อประหลาดนะใครสงสัยเรื่องอะไรก็ฟังได้ยกเว้นนะสงสัยก็หวยออกอะไรไม่ได้นะอใถ้าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอะไปเปิดเถิมีทั้งนั้นแนหะท <c oughs> ําไมสอนไปแล้วมีทุกเรื่องหลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติหลงพ่อไม่ได้สอนวิธีรายละเอียดวิธีการในรายละเอียดเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใจทางมันนะ ไม่มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในทางศาสนาพุทธมีแต่วิธีที่เหมาะกับแต่ละคนทางใครทางมันแต่หลักการเนี่ยต้องถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนหลักการของธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยครอบคลุมด้วยเรื่องของอริยาาสัจสี่นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านถึงกับขนาดบอกบอกว่าถ้าท่านไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่มีวนรอบสามมีปริวัติสิบสองท่านจะไม่ประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าฟังแล้วยาวนะ อาเรียนสัตตีมีวนรอบสาคือแต่และสัจจะเนี่ยมีสามอย่างมีรายละเอียดสามด้านเช่นทุกทุกคืออะไรเนี่ยอันที่หนึ่งทุกข์สัตว์ทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคืออะไ ร, อ, อ, อ, ะไรอันที่สองอันที่สามท่านได้ทําหน้าที่นั้นแล้วสมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตันหาท่านได้ละตันท่านตันหามีหน้าที่ละนันนะเราต้องละตันหาท่านได้ละแล้ว นิโรธคืออะไรนิโรธคือนิพพานคือความดับสนิทของตัณหาหน้าที่ก็คือเข้าไปทําให้ถึงเข้าไปให้ประจักษ์พระพุทธเจ้าประจักษ์แล้วมรรคคือบนทางปฏิบัติก็คือการเจริญสตินั่นเองหน้าที่ของมรรคคือทําบ่อยๆทํามากๆทําให้เจริญพระพุทธเจ้าได้ทําให้เจริญเต็มที่แล้วพะท่านได้ทําอริยสัจสี่ทำกิจของอริยสัจสีได้เต็มที่แล้วท่านถึงปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นอริยสัจ ส, สี่เนี่ยครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหมดพระเจ้าท่านเคยบอกว่ารอยเท้าของสัสตว์เนี่ยทั้งหลายสัตว์บกทั้งหลายด้วยเนี่ยรวมลงได้ในรอยเท้ า, ทาช้างฉันใดธรรมะทั้งหมดที่ท่านสอนรวมลงในอริยสัจ ส, สี่ได้ฉันนั้ น, นอันนี้ที่ท่านเทศประโยคนี้ขึ้นมาก็ยุคนั้นไม่มีไดโนเสาร์แล้วถ้ายังมีไดโนเสาร์ท่านจะบอกรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยของไดโนเสาร์ แต่นี่ช้างตัวใหญ่ที่สุดให้มารวมในรอยเท้าช้างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักของอริยสัจเราจะไม่พลาดถ้าเราไม่เข้าใจอริยสัจโอกาสพลาเดีย่มีอยู่ต้องเรียนอริยสัจให้ชัดเจนอริยสัจเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดในศาสนาพุทธมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นถึงจะรู้อริยสัจจริงๆคนอื่นไม่รู้ว่อริยสัจจริงๆหรอกอริยสัจนั้นลึกซึ้งเป็นลําดับลําดับไป เราค่อยๆเรียนเป็นลําดับลําดับไปอี่ยคุณคณิตฐาเรียนมาได้นะขั้นหนึ่งแะ้วผ่านมาหนึ่งขั้นก็เข้าใจอริยสัจอย่างหนึ่งยังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกเนีย่ยอริยสัจเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดเข้าใจยากที่สุดพระนริ น, นเผยเบิกหาพระพุทธเจ้าไปบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เป็นอริยสัจนั่นเองนะลายละเอียดแยออกไปได้ว่าปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจสมบัติที่พระองค์บอกว่าลึกซึ้งเนี่ยปรากฏแก่ขาพระองค์เหมือนเป็นของตื้นดูตื้นๆเห็นไม่อะไรเลยง่ายๆพระพุทธเจ้า บ, บอกอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะข้าตอนนนปฏิจจสมบตัตินี้ลึกซึ้งนักหรืออริยสัจเนี่ยลึกซึ้งนักเพราะบุคคลยังไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกข้าอนาคามียังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกยังต้องไปเกิดอีกเพราะอะไรเพยังไม่แจ้งอริยสัจนั่นเอง อริยศาสตร์เป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดพวกเรามีหน้าที่เรียนให้รู้เรื่องคําตอนของหลวงพ่อก็รวมในอริยาศาสตร์นั่นเองทําไมหลวงพ่อพูดแต่ว่าให้รู้ตายให้รู้ใจพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกท่านนิยามเอาไว้ชัดเจนเลยอะไรคือทุกระยำมั่วๆนะว่าทุกคือเรื่องนั้นอกหักคือทุกตกงานคือทุกลูกดื้อคือทุกอะไรเงี้ยแฟนคิ้งคือทุกไม่ใช่แค่นั้น แล้วพุทธเจ้านิยามความทุกข์ก็คือขันห้านี่แหละเป็นทุกข์รูปาทานขันห้าคือกายกับใจของเรานี่แหละคือตัวทุกข์แค่ประโยคนี้หลายคนไม่เคยได้ยินแล้วนึกไม่ถึงว่าทําไมขันห้าเป็นตัวทุกข์ขันห้าเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกพูดภาษาไทยง่ายๆคือกายกับใจของเราเนี่แหละเป็นตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้รู้กายรู้ใจไปแล้วมันจะไปค้นทุกข์ได้ยังไงนี่ดูอัศจรรย์นะใครๆก็หาวิธีพ้นทุกข์กันทั้งโลกหาไปตามสติปัญญา เขนะาพูดให้เจ้ากลับบอกวิธีค้นพบนะแทนค้นพบวิธีคนรร้ น, น, คนทุก้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้มีหลายแบบ้นะบ้้้้นะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้ิ้้้ อ, อ, อ, นะ อ, อ้้นะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ได้นะแก้ได้เหมือนกัน้นนะน้้้้้้้้้้้้้้นนะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้ เพ้นก็ตัวประหาัใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเรียกว่าเครียดมากจะแก้ทุกข์บางคนก็กินเหล้าให้ลืมๆไปนี่แก้ทุกข์นี่แบบหนึ่งแบบโลกโลกอีกแบบหนึ่งเห็นว่าลำพางการเที่ยววิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจยังไม่แก้ทุกข์จริงนะตรงนี้พวกชอบเข้าวัดนี่นแหละพวกนักปฏิบัติพวกนี้จะหันมาบังคับกายบังคับใจตัวเองฝ่ฝึกกายฝึกใจไว้คิดว่าถ้าเราฝึ ก, กจิตของเราดีแล้วเราจะไม่ทุกข์นึกคิดออกไปได้ ว่าถ้าฝึกจิต ด, ดีแล้วจะไม่ทุกข์แต่คิดคิดว่าฝึกได้บังคับได้เการที่พยายามกายควบคุมกายควบคุมใจตัวเองเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานโยกการควบคุมบังคับตัวเองเป็นความพึ้โตอีกด้านหนึ่งรักถาท่านใช้อีกศัพท์หนึ่งบอกว่าอุอ่าปนาุนยาที่สังขาชื่อว่าปุญญาที่สังขารความปร่งแต่งป่ายบุญ ไวความตรุงแต่งปบุณก็เป็นวิธีหาความสุขวิธีนีความทุกขอย่างโลกๆเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการหนีการรับรู้อารมณ์เรียกว่าอาเนชาพิสังขาร น, นะหลบหลีกการรับรู้อารมณ์ทำให้รู้ไม่ชี้เป็นปรมรูปฟักเป็นรูปเป็นลมไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีอะไรมากระทบแล้วมันสบายนี่คนในโลกรู้วิธีพ้นทุกข์สามแบบนี้ก็ะพุทธเจ้านพนทุกข์ อีกทางหนึ่งคือการที่หันมาเผชิญหน้าทุกอยู่ที่กายรู้ลงไปที่กายทุกอยู่ที่ใจรู้ลงไปที่ใจรู้มากเข้ามากเข้ า, าเห็นกายนี้ใจนี้มันทุกข์ล้วนๆนี่ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เคยคิดหรอกแต่เดิมคิดว่ากายนี้นะสุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้จิตนี้สุข ก, ก็ได้ทุกข์ก็ได้ก็เลยเกิดตัณหาเกิดการดิ้นรนที่จะหาความสุขเกิดการดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์การดิ้นรนของจิตนี่แหละเรียกว่าสมูทไทหรือตัณหานั่นเอง งั้นการที่เราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราก็จะเกิดสมุทยัยเกิดตัณหาดิ้นรนที่จะหาความสุขไปเรื่อยๆทุกคนดิ้นหาความสุขตลอดชีวิตนะอย่างตอนเด็กๆก็คิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขพอจบแล้วได้ด็อกเตอร์ด้วยจะมีความสุขไม่หาความสุขไปเรื่อยนะมีแต่คำว่าท่าหาความสุขไม่ได้ความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดชีวิตนะ ถ้าได้ทํางานดีๆจะสุขได้ตําแหน่งใหญ่ๆจะสุขถ้ามีเมียสวยๆรวยๆจะสุขอะไรนี่นะบบธรรมะท่ามันอยู่ตลอดเวลาจนแก่ๆนะวันไหนถ้ามันไม่เจ็บป่วยมันจะสุขไม่เมื่อยไม่ปวดจะสุขพอแก่มากเจ็บใกล้จะตายเ อ, อตายซะได้คงจะมีความสุขดูจนจะตายยังหาความสุขไม่ได้ความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดเลยแบบจิตการที่เราคิดว่าตัวเรามีอยู่มันทําให้เราดิ้นไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าสอนให้เราหันมารู้กายมารู้ใจกายในี้ใจนี้ทุกข์ล้วนไม่ใช่ตัวเราร que, ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างไม่มีทางเลือกที่สองเมื่อมันไม่มีทางเลือกที่สองมันเห็นว่าทุกข์แน่นอนแนละ้วจิตถึงจะยอมปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาถึงจะสิ้นสุดลงไปเพราให้การรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนี่แหละคือทางละตัณหาละสมุปถัยเฉั้นเรารู้กายรู้ใจ ร, ใจ ร, ใจรจู้กายรู้ใจพอรู้ความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ล่อยวางได้มันก็หมดความดิ้นรนที่จะหาความสุขมาให้กายให้ใจหมดความดิ้นรนที่จะให้กายให้ใจในี้ผลทุกข์ทันหาหมดไปาการรู้อย่างพุกอย่างแจ่มแจ้งคือการละสมุทยัยนี่จิตใจพอละสมุทัยได้จิตใจจะมีความสงบสุขขึ้นมานิโรธคืออะไรนิโรธคือนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือสันติสุขนั่นเองพระพิธามสอนชัดๆเลยนิพพานมีสันติลนะักษณะ คือมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากทุกข์ถ้าจิตใจของเราหมดความดิ้นรนหมดความเร้าร้อนเพราะมันเห็นแล้วตัวเราไม่มีจริงๆนะหมดการดิ้นรนหมดความเร้าร้อนเนียจิตใจจะเข้าถึงสันติสุขเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือการรู้ทุกข์จนกระทั่งจิตใจหมดความเร่าร้อนหมดความดิ้นรนเข้าถึงสันติสุขเนี่ยคือเส้นทางปฏิบัติของนักปฏิบัติทั้งหลายถ้าออกนอกเส้นทางนี้แล้วก็คลาดเคลื่อนลนะ การรู้ทุกจนกระทั่งละสมุทรไทยแล้วทํานิโรธให้แจ้งได้เรียกว่าอริยมรรคเนี่ทุกสมุทรไทยนิโรธมรรคครบแล้วนะเสีย น, นี่พวกเราก็จะเริ่มง ง, งทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วจะลงมือปฏิบัติได้ยังไงนะทำไมหลวงพ่อพูดไม่เหมือนที่อื่นพูดที่อื่นอาจารย์อื่นๆส่วนมากท่านจะสอนวิธีปฏิบัตินะให้เดินท่านี้ให้นั่งท่านี้ให้หายใจแบบนี้ให้ขยับมือขยับเท้าขยับท้องแบบนี้นะจะมีรูปแบบมีอะไรขึ้นมาอันนั้นเป็นเปลือกของการปฏิบัติก่อน แกนสารสาระของการปฏิบัติก็คือจิตเราดําเนินไปถูกต้องตามหลักของอริยสัจไหมตามจิตในอริยสัจไหมรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยอะไรก็ได้แล้วแต่ความถนัดเพราะฉะนั้นทุกคนเคยทํากรรมฐานอะไรทําต่อไปหลวงพ่อไม่ได้ห้ามเลยนะหลวงพ่อไม่ได้ติเตียนว่าสายนั้นดีกว่าสายนี้สายนี้ไม่ดีอะไรนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสายไหนปฏิบัติหรือผู้ใดปฏิบัติแล้วสติตัวจริงเกิดใช้ได้เหมือนกันหมดเลย นะดูท้องของยุบแล้วเกิดสติก็ใช้ได้เหมือนกับพุทโธแล้วเกิดสติเหมือนกับหายใจแล้วเกิดสติเหมือนกับขยับมือทําจังหวะอย่งางหลวงพ่เทียนแล้วเกิดสติแต่ถ้าทําผิดไม่ว่าทําวิธีใดก็ไม่เกิดสติเหมือนเหมือนกันนะผิดก็ผิดเหมือนกันปลูกก็ปลูกได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะั้นเรียนหลักให้แม่นแล้วก็ลงมือทําไปอย่างที่เคยทํายกตัวอยา่างการรู้กายรู้ใจเนะี่ยเครื่องมือเนะครื่องมือของมันคือสติสตนั่นเองสติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจ กเราลุ้นหลังชอาไปแปลว่ากําหนดผิดนะสติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าความระลึกไดนะ้กายเคลื่อนไหวระลึกได้โอรูปมันเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวระลึกได้วนามธรรมนะจิตใจเคลื่อนไหวที่สติระลึกได้หนะ้าที่เราทําสติให้เกิดวิธีทําสติให้เกิดนี่แหละใช้กรรมฐานอะไรที่เคยทำํทำทําได้ถ้าดังนั้นโยกเว้นกรรมฐานที่ดวกไปข้างนอกเช่นไปเพ่งเพียนเพ่ง P P ไปอะไรพวกนี้กลับมาดูกายดูใจา ย, ยากเพราะมันดวกไปข้างนอก กรรมฐานอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับตัวเราเองนี่ใช้ได้ทั้งหมดเลยหลวงพายกตัวอย่างนะคนไหนเคยดูท้องของยุบเริ่มจับฟองยุบเพราะว่าฟองยุบเป็นแชมป์นะตอนนี้แชมป์มากที่สุดไม่มีสํานักไหนเทียบเท่าเราดูท้องของยุบไปแต่เติมเราดูท้องของยุบโดยน้อมจิตเข้าไปเกาะอยู่ที่ท้องอันนี้คือสมถะนะการเพ่งตัวอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอารามานุปนิชานเป็นสมถนะเพราะงั้นเพ่งไปไเรื่อยๆดูท้องของยุบไปยกเท้าย่างเท้าไป เดี๋ยวตัวเบาตัวลอยตัวโปรงตัวใหญ่นะเกิดปีติดน้ำมูน้ำตาไหลพูดว่าผลลุกสู้ล่าอันนี้เป็นเรื่องของสมถารอ้นวนๆเลยนะนี้ถ้าเราดูท้องของยุบเพืจะให้เกิดสติเราจะทำยังไงดนะีดูไปเรื่อยๆดูไปแล้วก็คอยสังเกต ร, รู้ทันใจของตัวเองนะดูท้องของยุบไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วดูท้องของยุบแล้วจิตไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งท้อง ดูท้องของยุ่มก็เกิดปีติเกิดสุขขึ้นมาก็ารู้ว่ามีปีติมีความสุขดูแล้ววันนี้พุ้งฟานหงุดหงิดลำพาญใจเบื่อเขารู้ทันสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นหักดูท้องของยุ่มไปในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะเยอะแยะเลยเช่นเหลอไปก็ออกเหลอไปเป็นอย่างนี้เพ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้นะสุขทุกภูสนใจภูสนใแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้นี่เป็นการหารู้สภาวะ น, ะนั่นเอง ถ้าเรารูส้สภาวะได้แล้วเราจําสภาวะได้แล้วจิตมันจําได้แล้วนะสติจะเกิดเองเมื่อสภาวะอ น, นั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแนละ้วเรียนไปเรียนไปแล้วจะมารายงานหลวงพ่อว่ามันรู้สึกตัวขึ้นเองนะสติเกิดเองไม่รู้ว่ามันเกิดได้ยังไงไม่รูนะ้ว่ามันมาได้ยังไงที่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียนนั่นเองนะถ้าเรียนไปตามหลักที่พระเสจเจ้าหรือที่พระพิธรรมบอกไว้ที่บอกได้หมดเลยว่าทําไมสติถึงเกิด สติเกิดไม่ใช่เพราะเราสั่งให้เกิดนะสติเกิดเพรามีเหตุคือจิตเราจําสภาวะได้เราก็ดูท้องของยุบแล้วก็หัดรู้สภาวะของจิตใจไปแล้วสติจะเกิดเองเช่นเราดูท้องของยุบแล้วใจลอยแวบไปเรารู้ทันว่าใจลอยไปอีกนี้ต่อมาพอเรามาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ใจลอยแวบเดียวเราเห็นแล้วว่าใจลอยแล้วสติจะเกิดเองหรือจะรู้สึกตัวเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยเพราะฉะนั้นหลายคนที่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วจะงงๆว่ามันตื่นขึ้นมาได้ยังไงมันนึกไม่ออกเหมือนกัน ที่แท้มีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยศาสนาพุทธไม่มีคำ ว, ว่าพลุกเลยนะคําว่าพลุกนี่ไม่มีในาศาสนาพุทธมีแต่เหตุกับผลล้วนเลยไม่มีบังเอิญ น, นะเพราะงั้นอย่างนั่งหลับหูหลับตาไปแล้วเผื่อจะพลุกบรรลุไม่มีนะพลุกบรรลุไม่มีหรอกพลุกไปอบปายนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ทําเหตุที่จะลงทําเหตุที่จะเสดนี่ใครเคยหัดสายหลวงก็อเตียนขยับมือขยับต่อไปสลวงพ่อไม่ได้ห้าม ขยับม <necessary. S 2> ือแล้วใจลอยก็รู้ว่าใจลอยไปขยับมือแล้วจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันแล้วเข้าไปเพ่งที่มือขยับแล้วเกิดปีติก็รู้เกิดสุขก็รู้เกิดกุศลอะกุศลอะไรก็รู้เช่นขยับไปแล้ววันนี้ลําทานหุ่นหินรู้ว่าหุ่นหิดขยับอะไรแปลกนะทำไปแล้วก็ไปรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปู่ที่เกิดขึ้นในใจเรารู้อยู่ที่เดียวนี่แหละทางมโนตะวานแต่อย่าไปนั่งจ้องเอาไว้รอให้ความรู้สึกแปลกปลอมเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอา หรือใครหัดหายใจก็หายใจต่อไปอย่าเลิกหายใจนะพยายามหายใจหายใจอีกหลายหลปีพยายามเข้าไปหายใจไปรับพาจิตเราหนีวิคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหายใจแล้วจิตก็ไปถล่มลงไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจหายใจแล้วจิตมีปีติมีสุขเกิดกุศลเกิดนากุศลคอรู้ทันสภาวะหายใจไปเพื่อหัดรู้สภาวะนะดูต้องฟองยุคก็เพื่อรู้สภาวะขยับมือทําจังหวะ ก็เพื่อรู้สภาวะหัดพุทโธก็เป็นรู้สภาวะพุทโธพุทโธไปจิตนี้ไปก็รู้ทันจิตสงบลงมาก็รู้ทันจิตพุ้งต้านก็รู้ทันในการหัดรู้สภาวะการหัดรู้สภาวะนี่แหละคือต้นทางของการปฏิบัติที่แท้จริงพอจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเชื้อเชิญให้เกิดไม่ต้องบังคับให้เกิดจะเกิดเองนะหลายคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะผ่านมาช่วงหนึ่งจะรู้สึกเลยเหมือนเราเกิดใหม่เหมือนเราตื่นขึ้นมาใหม่แต่เดิมเราคิดว่าเราตื่นนะ ในโลกนี้ไม่มีคนตื่นหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่า้ในโลกมีแต่คนหลงมีแต่คนหลับนะหัดเจริญสติหัดรู้สภาวะไปได้่อยแลนะ้วถึงจิตหนึง่งจิตมันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมันจะรู้สึกเหมือนเกิดใหม่จริงๆจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะน่าอัศจรรย์ที่สุดเลยพอรู้สึกตัวเป็นแลใจหายเลยนะว่าที่ผ่านมาที่รอดออกมาได้ยังไร ถ, ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกทางให้ไม่รอดหรอกยากที่สุดเลย เงืนต้นฐานของการปฏิบัติจริงๆคือการหัดรู้สภาวะนะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่รู้เพื่อบังคับนี้วิธีฝึกสอบก็คือทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยทําทําไปเรื่อยๆแล้วก็หัดรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปเรื่อยๆเป็นการฝึกสอบรู้อารมณ์ทางมโนทวารอาศัยนะกรรมฐานนันหนึ่งยืนพื้นไว้แล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงทางมโนทวารนะเช่นใจเสลอไปก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ ใจเป็นสูขเป็นฟุ้งใจเกิดโรคหลดโหลงขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดจิตจะเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตจะมีความตุกหลายคนเมื่อเช้าก็มีคนรายงานหลายคนนะที่ว่าอยู่ๆความตุกมันก็ปุดขึ้นมาพอรู้สึกตัวปั๊บความตุกก็ปุดขึ้นมาเลยเพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นมหากุศลจิตเรียกแบบอริธรรมนะถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็จิตมันเป็นกุศลขึ้นมา จิตมันเบิกบานหรือไม่มันก็นุ่มนวลตั้งมั่นอย่างนุ่มนวลเป็นกลางกลางนุ่มนวลเนี่ยจิตใจที่ตั้งมั่นนุ่มนวลหรือจิตใจที่มีความสุขเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มจิตที่มีความสุขส่วนจิตที่ทุรนทุรายลําบากยากแก่เป็นจิตที่มีความทุกข์จิตที่มีความทุกข์เนี่ยเกิดร่วมกับอาภูสุนลจิตเท่านั้นนะแต่จิตที่มีความสุขเนี่ยเกิดได้ทั้งสายภูสุนและอาภูสุนแต่ถ้าสติเราไปรารู้สภาวะและจิต รู้สึกมีความสุกขึ้นมาอันนี้เกิดจากกุศลเกิดจากการที่เรามีสติความสุขที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสมาธิฟังค่อยๆฟังไปนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิทีแรกหลวงพ่อเริ่มจากการที่จิจตจําสภาวะได้ทําให้เกิดสติพอมีสติแล้วเนี่ยมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยจิตจะเกิดสมาธิจะตั้งมั่นขึ้นมา มันมีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจจิตจะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจตัวเองจิตจะไม่หนีไปที่อื่นจิตจะค่อยเข้าเคลียคอยรู้กายคอยรู้ใจเหมือนคุณคณิษฐาเนี่ยวันๆแทบไม่ทำมหากินแล้วนะคอยสนใจแต่จะดูจิตนะไม่จะดูอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะมันจะรู้อยู่ทั้งวันดูไปด้วยเนี่ยจิตใจมันมีความสุขที่ได้รู้ได้ดูนะมันจะตั้งมัน่นจิตใจจะไม่หนีไปจากตัวเองโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเชือ้อเวยไม่เหมือนสมถะ สมถะต้องคอยควบคุมต้องกระบังคับนะต้องอ่อนบอนมันแต่ถ้าเราเจริญสติเป็นนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตนมัติแต่ตั้งชั่วขณะเท่านั้นไม่ตั้งนานเหมือนถ้ารู้สึกว่าตั้งได้โงที่นานๆ น, นะต้องไปปรึกษาหลวงพ่อนะจิตปกติแล้วแสดงว่าไปเพ่งไว้ถ้าเพ่งเลยจะเกิดําตากสภาวะจะตําตากถ้าไม่ได้เพ่งไว้สภาวะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปเรื่อยๆแต่จิตใจนีนจะอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ลุดเนื้อหลุดตัว สัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาตามพันไหมทีแรกการที่เราจําสภาวะได้เราดูสภาวะบ่อยๆนะหัดกรรมฐานอะไรดูสภาวะไปเรื่อยๆมันทําให้เกิดสติจิตมันจําสภาวะได้พอ ม, มีสติจิตจะมีความสุขจิตที่มีความสุขจะมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นจิตที่มีสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพราะจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจ ประจิตใจเราลืมเนื้อลืมตัวก็ไม่ได้เรียนรู้กับความจริงของกายของใจคําว่าปัญญานี่ไม่ใช่ความฉเฉลียวฉลาดอย่างโลภโลภปัญญาเพื่อความพ้นทุกเนี่ยคือการรู้ความจริงการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจนี้นั่นเองเข้าใจความเป็นจริงถึงขีดสุดก็คือรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราเหรอกแล้วปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นปัญญาคือการความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ เราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้เพราะเราคอยรู้มันบ่อยๆเรียนรู้กายบ่อยๆเรียนรู้ใจบ่อยๆเมื่อเรามีสติรู้บางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้ใจเลือกไม่ได้ว่าจะรู้อะไรบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้ใจใช่ไหมเลือกไม่ได้นะถ้ายังเลือกได้ไม่ใช่ของจริงพอมันรู้ไปมากเข้ามากเข้าในที่สุดมันก็เข้าใจคล้ายๆอย่างเราต้องการรู้พฤติกรรมของเด็กสักคนหนึ่งนะเด็กข้างบ้านเรามีพฤติกรรมแปลก วิธีที่จะเรียนรู้พฤติกรรมเด็กนี้ก็คือตามดูมันไปเรื่อยๆอย่าเอาไม่เรียวไปจ้องใส่มันนะมันจะอยู่นิ่งๆจิตนี้ก็เหมือนกันเราจะต้องตามรู้พฤติกรรมของมันอย่าไปเพ่งใส่มันถ้าเพ่งใส่มันมันจะนิ่งๆคล้านยะๆเราไปนั่งเฝ้าแบบงั้นการดูจิตดูใจอย่าไปนั่งเฝ้าไว้เนหะมือนการเรียนรู้พฤติกรรมของเด็กสักคนหนึ่งนั่นเองเราอยากรู้ว่าเด็กคนนี้มีพฤติกรรมยังไงเราก็คอยดูเรื่อยๆดูแอบดูไประยะระยะนะไม่ใช่ไปยืนเผชิญหน้าแล้วก็จ้อง งั้นการดูจิตดูใจเนี่ยเราก็คอยรู้เป็นระยะระยะไปในที่สุดเราก็เข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจเราว่ า, วามันไม่เที่ยงนะจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่งเลยจิตใจของเราทํางานตลอดเวลาไม่เคยหยุดพักเลยนะหน้านเหน็ดเ <conceptual> หนื่อยที่สุดมีแต่ทุกข์ล้นวนๆเลยมั น, นต้องทํางานหนักทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะจิตใจมันแจ้งขึ้นมาจริงๆพอจิตใจมันรู้ความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุ๊บไม่ใช่ตัวเราหรอก พอรู้อย่างนี้จะได้เป็นพระโสดาบานันจิตจะมีกระบวนการตัดของมันนะให้เป็นพระโสดาบานันไม่ใช่เนื่องเอาเองว่าตอนนี้เป็นแล้วลอตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆได้โสดาแล้วก็ตามรู้ตามดูไปอีกดูอย่างเดิมนั่นแหละดูไปใจมันค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเบื้องต้นมันก็ฉลาดเหมือนกันแต่ฉลาดไม่มากมันรู้แค่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว เป็นของชั่วคราวหมดเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวเนี่ยคือความรู้คือปัญญาของพระโสดาบันพระสกาาิทาขารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดารู้อย่างนี้เราตามรู้จิตใจของเรามากเข้ามากเข้าเราก็จะพบว่าถ้าจิตของเราตั้งมั่นอยู่นะไม่ไหลไปไม่ห ล, ไไลงไปจิตจะไม่ทุก๊กเรียกว่ามีจิตผู้รู้อย่างที่คุณชนิดษาบอกมีจิตผู้รู้อยู่จิตไม่ทุก๊ก แต่ถ้าเมื่อไรจิตไหลไปจิตมีตัณหามีความพยานอยากจิตเข้าไปยึดอารมณ์นะจิตจะทุกเนี่ยจะเห็นมว่าจิตมีสองอย่างอ๋อตัณหานี่เองความพยายามนี่เองทําให้จิตเป็นทุกฝั่งคล้ายๆเหมือนอริยสัจนะคล้ายๆนะยังไม่ใช่ของจริงคล้ๆเพราะฉะนั้นจิตยังมีสองชนิดคือจิตที่ตั้งมั่นในไม่ทุกจิตที่ไหลไปเป็นทุกแต่ถ้าเข้าใจอริยสัจแก่มแจ้งปัญญาขั้นสุดท้ายเข้าใจอริยสัจแจ่มแจ้งจิตนี้แหละตัวทุกหล่ะ จิตผู้รู้นี่แหละตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นว่าจิตตัวผู้รู้เป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จิตก็ปล่อยวางจิตแจ่มแจ้งว่าอะไรแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรที่หลวงปู่ดูลบอกมันจะปล่อยวางพอจิตเราปล่อยวางจิตเนี่นะจิตจะไม่ได้ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเพราะจิตนั่นแหละคือสิ่งที่จิตยึดถือมากที่สุดว่าเป็นตัวเรา หัวแขนที่สุดว่าคือตัวเราร่างกายนี้ดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเรานะสุพทุกเวทานาทั้งหลายเนี่ยดูง่ายว่าไม่ใช่เรากุศลนกุศลดูง่ายๆว่าไม่ใช่เราอย่างหมอโดนรชาก็มองเห็นมันไม่ใช่ตัวเราแลแต่ใจอันเดียวเป็นตัวเราอยู่ันะน้นดูไปด้วยนะวันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราพอาวางความยึดถือใจลงไปได้เนี่ยมันหมดภารานะทางใจนั้นจะรู้สึกเลยว่ามันหมดภารานะแล้วนะที่พึ่งของเราอยู่ตรงนี้เองที่พึ่งของเราอยู่ตรงนี้เอง อย่างอื่น kit, ไม่ใช่ที่พึ่งของเราเลยตรงที่จิตมันหมดภาระนี่แหละเราจะเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงที่เข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่งที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองเหมือนตอนพระพุทธเจา้าตรัสรู้ sized. พระพุทธเจ้าก็คิดว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสลาณะท่านจะเอาใครมาเป็นสลาณะของท่านอย่ยงพวกเรามีพระรัตนตรัยเป็นสลาณะพระพุทธเจ้าคิดว่าท่านจะต้องมีสลาณะเหมือนกันท่านจะเอาธรรมะเป็นสลาณะ หลวงพ่อเคยอ่านประโยคนี้ตั้งนานแล้วนะท่านเอาธรรมะเป็นสารนะธรรมะมีทั้งเยอะแยะท่านจะเอาธรรมะอะไรมาเป็นสารนะภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วจะเจอสาระที่แท้จริงเมื่อไหลใจปล่อยวางจิตลงไปได้นะปล่อยวางจิตได้เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงความสุขที่อิ่มที่เต็มบริบูรณ์ไม่พร่องเลยทั้งวันนั้นคือจิตใจก็จะสว่างจ้าอยู่อย่างนั้นเอง ถ้าฝึกไปได้นะค่อยมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปอวันนี้เทศรวดเดียวจบเลยไม่ไม่ต้องถามเลยเนาะใครเคยฝึกแนวไหนทําได้หมดแหละเคยฝึกทองยุบดูท้องทองยุบไปแต่อย่าไปเพ่งใส่ท้องะให้ดูท้องทองยุบแล้วก็คอยรู้สภาวะที่เกิดขึ้นในใจไปใครเคยขยับมืออย่างหลวงพ่เทียนก็ยขยับไปแต่อย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปคิดเรื่องมือ อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจก็ปล่อยรู้ไปแล้วเึกอย่างนี้แหละในที่สุดเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้สติจะเกิดเองตามองเห็นสติก็เกิดหูได้ยินเสียงสติก็เกิดจมูกได้กลิ่นทิ้นได้รสกายสัมผัสสติก็เกิดใจคิดนึกปรุงแต่งสติก็เกิดเกิดเองนะเกิดอย่างหน้าอัศจรรย์หลายคนมาบอกหลวงพ่อว่าทำไมอัศจรรย์นะทำไมมันตื่นขึ้นมาเองทําไมสติเกิดได้เองไม่ใช่ปลุกนะไม่ใช่เรื่องปลุกๆุ มีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยเพราะว่าจิตเราจําสภาวะได้ที่จําได้เพราะเห็นบ่อยๆที่เห็นบ่อยๆก็คอยดูเรื่อยๆการดูดูร่างกายบ่อยๆเรียกกา ย, ยานุปัสสนาการดูเวทนาบ่อยๆเรียกเวทนานุปัสสนาการดูจิตบ่อยๆเรียกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่นเองคือการเจริญสติปัฏฐานจริงๆศาสนาพุทธนั้นที่หลวงพ่อพูดมา น, นี้ครอบคลุมหมดแล้วนะนอกจากนี้นเป็นรายละเอียด บางคนจะรู้สึกว่าธรรมะทำไมมีมากมายจะเลือกเป็นธรรมะอะไรออกมาปฏิบัติได้บางคนก็ไปนั่งทะเลาะ ก, กันสายไหนดีกว่าสายไหนถ้ายัางเสียงกันอย่างนี้แสดงว่าภาวนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาเป็นนะสายไหนก็ใช้ได้ยกเว้นในสายที่ออกไปข้างนอกจริงๆนะเที่ยวไปดูผีสางนางไม้อะไรนัน อ, ออกไปนัน่นลืมกายลืมใจตัวเองอย่างนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเป็นกรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจใช้ได้เหมือนๆกัน จบแล้วเนาะอ่าประกาศติดสวนปูแล้ว